ทั้งคู่ห่อแนบไปตามคําสั่งของหล่อนอย่างสุดแรงและฝีเท้ากําลังที่มีอยู่ทั้งท่านที่ยังไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นคงมีแต่เกิดจันทร์ขยินและส่างปาอีกสี่คนซึ่งแล่นตามกันมาเบื้องหลังที่เข้ามาลุมล้อมหล่อนเกิดอะไรขึ้นนายหญิงจันทร์ร้องถามตะขาบใหญ่หล่อนบอกออกมาอย่างยากเย็นตกปลางันงบไปหมดมันกัดนายทหาร เกิดขยินและสางปาพวดริ่วไปยังตำแหน่งที่เกิดเหตุคงเหลือแต่จันซึ่งยืนเป็นเพื่อนหลอนอยู่กลางทางเพื่อลอบุญคำกับเสยที่ย้อนกลับไปยังกองเข้าของที่ทิ้งไว้อึดใจเดียวทั้งคู่ก็หิวห้วหีบเวชพันวิ่งลงมาอย่างครึ่งทางที่ดารินรออยู่พอสมทบกันได้ก็ร่างรุดไปที่ร่างของชายยันซึ่งขณะนี้นอนนิ่งสนิทอยู่ท่ามกลางวงล้อมของพรกพวกที่กาลังจ้าละวันกันอยู่ บาดแผลจากรอยเคี้ยวทั้งสองปรากฏอยู่ที่ขาซ้ายเหนือเข่าขึ้นมาเล็กเป็นรู2รูห่างกันประมาณ4นิ้วรอยเคี้ยวขนาดเคี้ยวมามันฝังทะลุผ้า ข, ของกางเกงหนาเข้าไปลักษณะดูจะไม่ลึกอันแสดงถึงว่าขบเคี้ยวลงอย่างไม่ถนัดนักแต่บริเวณปากแผลเขียวอือและเลือดที่ไหลซึมออกมาเพียงเล็กน้อยนั้นเป็นสีดำคล้ำบอกให้ทราบถึงพิษร้ายที่ซึมซาบเข้าไปในสายเลือดแม้จะเป็นการกัดอย่างถักๆ ก, ก็ตาม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 และพินก้มหน้าก้มตายอยู่กับการบีบเค้นบริเวณใกล้เคียงกับบาดแผลรีดเลือดให้ไหลออกมาเป็นทางรอยแผลของเขี้ยวนั้นเช็ฐถาเปิดกระติกบรันดีออกกรอกปากเพื่อน แต่น้องสาวผู้กำลังเอาแต่ฟังเครื่องหัวใจใส่หูเหลือบเห็นซะก่อนร้องห้ามโดยเร็วพร้อมกับคว้าข้อมือไว้ยาคาพี่ใหญ่แอลกอฮอลจะกระตุ้นให้ระบบสุกฉีดลงหิตแรงขึ้นเท่ากับช่วยให้พิษมันแล่นเร็วขึ้นอีกเชษฐาชะงักเอาไฟจี้ตรงปากแผลทนายพิษมันจะได้ชะงักอยู่ตรงบาดแผลบุญคำร้องบอกเร็วปืแทรกขึ้น ขว้าก้านไม่ขีดออกมาแต่พานใหญ่ผ่าอกแกออกไปซะก่อนอย่างไม่เห็นด้วยดารินจับที่ประจรแล้วฟังหัวใจหน้าของหลอนคัําเครียดทุกคนจ้องจับมาที่แพทย์นักมนุษยวิทยาเป็นตาเดียวอึดใจหล่อนก็นเหงยหน้าก้ากึืนความรู้สึกบางชนิดลงทรงอ ก, อกอย่างยากเย็นเสียงแหบผ้าช็อกสลบไปซะแล้วพิษของมันร้ายกาดเฉียบพันที่สุด ทำอะไรสักอย่างหนึ่งน้อยชัยยันจะต้องไม่ตายมาเรียรพูดเสียงสัน่นดารินหันไปค้นกระเป๋าเวชภัณฑ์อย่างรีบร้อนแข่งเวลาอีกครั้งพร้อมกับบอกมาว่าฉันมีเซรุ่มรวมมาด้วยแต่ไม่รับรองว่ามันจะช่วยได้หรือเปล่าขอให้สุดแล้วแต่สวรรค์เถอะพิษที่แล่นซึมเข้าสกระสายเลือดในขณะนี้มัน้า้แรงยิ่งกว่าจงอางซะอีก ทุกคนเงียบกริบและนิ่งเป็นท่อนหินเมื่อดารินดูดเซรุ่มจากหล่อนเข้าเข็มแล้วฉีดเข้าไปใต้ผิวหนังของชา ย, ยันเมื่อถอดเข็มออกแพทย์หญิงราชสกุลสาวก้มหน้าหลับตานิ่งหย่าน้ำใสๆไหลซึมเป็นทางลงมาที่ร่องแก้มเช็ดามาเรียก็ตรึงงานทั้งหมดลืมทุกสิ่งทุกอย่างลงชั่วขณะพอวงวิตก ขีดสุดอยู่กับเหตุการณ์เฉพาะหน้าที่อุบัติขึ้นอย่างเดียวเท่านั้นทั้งสคนที่ร่วมอยู่ในเหตุการณ์และเห็นวินาทีสุดท้ายอันสยดสยองซึ่งเกิดขึ้นกับชา ย, ยันอย่างถนัดชัดเจนที่สุดเจ้าตะขาบตัวนั้นจริงอยู่ถึงแม้มันจะมีขนาดย่อมลงมามีส่วนกว้างเพียงฟุตเดียวและยาวประมาณ3วาวาซึ่งเปรียบเทียบกันไม่ได้กับไอมหายักษ์ตัวเท่าสูงที่เผชิญกันมาเมือ่อสองสาชั่วโมงที่แล้วก็ตามแต่มันก็เป็นพันตะขาบยักษ์อยู่นั่นเองและเจ้าตัวย่อมย่อมขนาดนี้แหละพิสูจน์ออกมานะ นี้ว่ามันมีพิษอย่างร้ายกาจชายันถูกกัดเพียงไม่ถึงช่วกั้นใจวิ่งไปได้เพียงแค่สามสี่เก้าเท่านั้นเขาก็ล้มลงโดยไม่มีโอกาสจะพูดคำใดออกมาได้อีกเลยแม้แต่คำเดียวและสภาพที่เห็นอยู่ในขณะนี้ตายมากกว่าเป็น คนอื่นยังคุกเข่ามุงล้อมอยู่รอบร่างของนายทหารหนุ่มระพผินกัดกรามแน่นลุกขึ้นมายืนคอตกเขาบอกความรู้สึกไม่ถูกในยามนี้ประสาททุกส่วนชาดิกไปหมดอิดใจต่อมาก็เดินเข้าไปพิจารณาดูที่ซากของเจ้าวายร้ายแห่งดงมหาการลูกหลานของไอ้ยักษ์ที่เขาพิชิตมุ้ยมอรณนาดไปก่อนแล้วตัวนั้นตาหลีซึมลงซากอันแสนที่จะน่าเกลียดน่ากลัวของมันม้วนงอ ก่อขิงขายอย่างสนิทลูกไรเฟิลของมาเรียรเฉือนลำตัวของมันแทบจะขาดออกเป็นท่อนๆแต่ก็เฉียบขาดประกาศสิ้นที่สุดคือกลุ่มกระสุนปืนจุด3 7ของดารินที่พุ่งเข้าขยี้หัวอันเป็นจุดรวมประสาทเขี้ยวของมันใหญ่ขนาดเขี้ยวหมูปา งอโค้งแหลมเข้าหากันเป็นสีเหลืองจัดส่วนปลายอันเรียวแหลมมีสีดำคำ้ำเมื่อเขียดตรวจ ด, ดูก็มองเห็นท่อน้ำพิษตรงปลายเขี้ยวทั้งสองอย่างถนัดไม่ผิดอะไรกับเขี้ยวงูมันต่างไปจากเจ้ายักษ์ตัวใหญ่ที่ไม่มีระ บ, บายน้ำพิษพอเหงย่อยหน้าขึ้นก็พบเชษฐาาไดมาเรียมาหยุดยืนหน้าคำ้ำอยู่เบื้องหลังใกล้ๆต่างไดแต่มองดูหน้าการพูดอะไรไม่ออกอยู่เป็นครู่ คุณหญิงว่ายังไงบ้างครับในที่สุดเขาก็เอ่ยขึ้นด้วยเสียงดังไม่เกินกระซิบเช้ถากัดดิมฝีป่ามองเห็นชัดว่าเขากำลังใช้อำนาจกำลังใจอันบึกบืนแข็งกร้าวต่อต้านกับอำนาจความรู้สึกอันยากที่จะบรรยายได้สั่นหน้าช้าๆมไม่พูดอะไรแต่พวกเราทุกคนก็อ่านออกว่าความหวังของชัยยันเหลือน้อยเหลือเกิน เสียงของหัวหน้าคณะขาดห้วนลงไปเพียงเท่านั้นเดินเข้ามาใช้เท้าที่สวมท็อปเตะซากตะขาบดงอย่างปราศจากความหมายรับพินหันไปทางเมย์คุณเห็นเหตุการณ์ตอนนั้นไม่ใช่หรือมันเกิดขึ้นยังไงมาเรียกระเดื่อนน้ำลายฉันอยู่กับน้อยยืนด้วยกันกลางด่านได้ยินเสียงชายยันร้องอย่างตกใจหันไปมันก็โผล่ออกมาทางซอกโขดหินใหญ่นั่นพุ่งเข้าใส่เขาเขาหยิ่งออกไปนัดหนึ่งแล้วผาหนีมันเรื้อยไล่เป็นพลวันฉันกับน้อยหยิงออกไปคนละนัดพร้อมกับหนีแยก ไปคนละทานอย่างที่เห็นแล้วนั่นแหละทั้งสามนัดชุดแรกของเราไม่ถูกมันเลยสักคนเดียวเพราะความรีบร้อนและยิงไม่ถนัดเพราะมันเลื้อยเลี้ยวลดคดเคี้ยวอยู่กับพื้นโขดหินซึ่งกำบังคอยขวางกั้นไว้ชา ย, ยันเป็นคนที่ใกล้มันที่สุดมันคงจะซุ่มอยู่ในซอกหินก่อนแล้วขณะที่คุณชา ย, ยันเดินเข้าไปใกล้แล้วพินกล่าวแผวเบากับหัวหน้าคณะเพื่อนของเราโชคร้ายเหลือเกินราชสกุลหนุ่มคลางเสียงเคลือ เราช่วยกันปราบไอตัวใหญ่นั่นได้แล้วหยกๆกมานี่เองใครจะนึกว่าในที่สุดพวกเราคนหนึ่งก็ต้องลำบากกับไอลูกหลานตัวเล็กๆของมันเจตนาของมันเหมือนจะคอยซุ่มเล่นงานเราอยู่แล้วชัยันซวยกบ่าเพื่อนที่หลวมตัวเข้าไปใกล้เหตุการณ์ขับขันครั้งนี้ทำให้ผมมืดมนไปหมดคิดอะไรไม่ถูกแล้วจะทำยังไงกันดีนี่เห็นขนาดตัวของมันแล้วยังเปรียบเทียบกับไซรุ่มเข็มกระจิ๋วริวของน้อยผมก็หมดอะไรตายยาก ผ่านใหญ่หันกลับไปมองอยังร่างของชายยันซึ่งมีดารินนั่งประสานมือทั้งสองข้างอยู่บนอกจ้องซึมอยู่แล้วถอนใจโดยไม่รู้สึกตัวเขาอยากจะพูดอะไรปลุกปลอบในจ้างแต่ก็พูดไม่ออกของมันเห็นชัดกันอยู่แล้ว อากาศในหุบก็มืดมนลงไปอีกจนไม่สามารถมองเห็นอะไรได้ไกลนะักแสงสว่างกำลังจะรับฟ้าไปทุกทีอีกไม่กี่นาทีมันก็จะมืดสนิทและทุกสิ่งทุกอย่างมันก็จะสะดุดชนงักลงเพียงแค่นี้พร้อมทั้งเส้นตายของชัยยันซึ่งสวรรค์เท่านั้นที่จะบอกได้ว่าชะตาของเขาจะถึงคาดแล้วหรือยัง ทั้ง3เดินกลับมายังร่างอันสลบสลายของชา ย, ยันอีกครั้งเหตุการณ์เฉพาะหน้ามันบีบบังคับให้ต้องพักเรื่องอื่นไว้หมดสิ้นลงเพียงเท่านี้นอกจากปัญหาฉุกเฉินอันหมายถึงความเป็นความตายของบุคคลในคณะที่เกิดขึ้นเราต้องหยุดกันที่นี่ก่อนแล้วครับ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 หรือคิดที่จะหุ่หาใดใดทั้งสิ้นพา ก, กันก่อไฟโชดขึ้นทั้งสี่ิดนั่งลงกอดเข่าจุบเฝ้ามองดูอาการคนเจ็บบรรยากาศทั้งคณะเต็มไปด้วยความอับจนต่อปัญญาและสลดหดหูดารินคอยตรวจสอบอาการเต้นของหัวใจและชีพจรอยู่ตลอดเวลาสีหน้าของหล่อนสะท้านให้ทุกคนที่ล้อมดูอยู่เงียบๆพอจะอ่านอาการของชยยันได้ถูกว่าตกอยู่ในสภาพเช่นไร คันแล้วความมืดก็ครอบงำป่าไว้อย่างสนิทนอกจากเสียงไฟและกิ่งไม้ที่อยู่ในกองรอบด้านเป็นความเงียบสงัดไม่ได้ยินแม้แต่เสียงจักจั่นเรไรหรือมแมลงเล็กๆสักตัวเดียวใบไม้ก็ไม่กระดิกถ้าว่าในความเงียบอันวิ้ลับ เต็มไปด้วยเลสนาใานนี้ทุกคนย่อมจะสัมผัสได้ว่าจากประสาทมีดวงตาของอะไรชนิดหนึง่งแอบแฝงคอยจับมองดูอยู่ในเงามืด ร, บรอบๆตัวมันเป็นดวงตาแห่งมรณะภัยที่รอคอยจังหวะของมันอยู่ซึ่งจะสําแดงให้ปรากฏออกมาในรูปใดที่สุดก็จะดาวได้ เสียงใครคนหนึ่งถอนใจเฮือกออกมาเจอสะอื้นและใครคนนั้นคือดารินเวลาลิศพูดตลอดเวลานั่งกลุ่มข้อมือคนเจ็บไว้เมื่อหล่อนเงยหน้าขึ้นอย่างซึ่งซูมทุกคนเห็นใบหน้านั้นขาวซีดราวกับศพชีพจ ร, รอ่อนลงทุกทีหมอดารินพูดเกือบจะไม่มีเสียงเห็นจะหมดความหวังเซะแล้วล่ะครับพี่ใหญ่หมายความว่าไซรุ่มสกัดพิษไม่อยู่งั้นหรือ คราวนี้เสียงของหัวหน้าคณะเกือบจะเป็นตะโกนก้องน้องสาวกัดริมฝีปากแน่นต่อสู้กับความรู้สึกภายในขีดสุดที่จะไม่ให้ระเบิดเสียงร้องไห้โฮออกมามันมันเหมือนจะไม่มีความหมายเลยค่ะพี่ใหญ่อาจจะเป็นเพราะเซรุ่มที่ผิดประเภทกับพิษของมันหรืออาจจะเป็นเพราะปริมาณพิษอันมากมายซึ่งทําให้มีฤทธิ์ได้เหนือกว่า พร้อมกับพูดกระท่อนกระแท่นยากเย็นดารินจับแขนของคนเจ็บชูขึ้นแล้วปล่อยลงแขนข้างนั้นก็ทิ้งถอยลงในลักษณะอ่อนปวกเปียกเหมือนซากที่ปาสตากลมหายใจแล้วราชสกุลสาบก็สิ้นความอดกั้นลงในทันทีหันร่างให้กับร่างของคนเจ็บมือทั้งสองปิดหน้าปล่อยเสียงสะอื้นออกมาดั ง, ดง อาการของมอดารินทำให้ทุกคนนั่งตัวเย็นใจฟอ่อลงเหลือนิดเดียวใช้ถ่ายยกมือทั้งสองขึ้นกลุ่มขมับไม่สามารถเอ่ยคำใดออกมาในวาระนั้นรับพินเองก็ตลึงตรัยเปิดตาโพงจับอยู่ที่ร่างของคนเจ็บเขามารู้สึกเตือเมื่อฝ่ามือของมาเรียฮอฟมันวางลงมาที่ท่อนแขนอันประสานกอดเข่าอยู่แล้วกำแน่นพร้อมกับเสียงกระซิบ คุณควรจะทำอะไรสักอย่างภายวันฉันเชื่อเหลือเกินว่ามันจะต้องมีวิธีใดวิธีหนึ่งแก้ไขภาวะคับขันอันนี้ได้ลองคิดดูให้ดีไม่มีอิทธิพลใดร้ายกาจของป่าใดาที่จอมพานผู้ยิ่งใหญ่อย่างคุณจะแก้ไม่ตกหรอก แววตาอันก้าวเฮี้ยมแห้งผักคู่นั้นและศพแม่สาวยังเปิดเผยตรงไปตรงมาสันหน้าช้าๆผมสารภาพว่าอับจนต่อปัญญาจริงๆเมไม่รู้จะแก้ไขอย่างไรขนาดเซรุ่มเอาไม่อยู่ก็หมดสิ้นกันแล้วผมช่วยได้แต่เพียงแต่ในด้านป้องกันและพิทักษ์ภัยให้เท่านั้นและในครั้งนี้เป็นคราวโชคร้ายสุดขีดของคุณชายยันเพราะเหตุการณ์มันเกิดขึ้นอย่างกระทันหันเกินกว่าที่ผมจะป้องกันไว้ได้ส่วนในด้านแก้ไขนั้นผมไม่มีความสามารถจนนิดเดียว เพราะผมไม่ใช่หมอมาเรียอึ้งไปคู่ในตาสีเขียวเข้มฉายแสงวาวใช้ความคิดชนิดที่ไม่ยอมอับจนต่อปัญญาอย่างง่ายๆ่หลังเป็นนักต่อสู้โดยสายเลือดโดยไม่เสียแรงสืบเชื้อสายมาจากพานใหญ่บาสจากแววทอดท้อแท้มันจะช่วยผ่อนหนักเป็นเบาขึ้นได้บ้างไหมสมมุติว่าเราจะแหวกปากแผลให้กว้างออกไปปล่อยให้เลือดไหลมากๆออกทางบาดแผลนั้นซึ่งอาจเป็นการถ่ายพิษออกซะบ้าง ถ้านั่นเป็นวิธีที่ถูกต้องผมคิดว่าหมอดารินคงจะทำเสีแล้วอย่าลืมว่าเธอเป็นสัญญาแพทย์ด้วยตัวเองเขาตอบอย่างระมัดระวังทันใดนั้นขยินก็ค้านเข้ามาเอิดขึ้นด้วยเสียงห้าวทําลายความเงียบของทุกคนว่าขายินมียาแก้พิษอย่างน้องถ้าพานใหญ่เห็นด้วยขยินจะลองเอายาแก้พิษยางน้องลองดูดพิษตะขาบที่แผลของนายปืนโต คำพูดของอดีตนายบ้านหลงช้างทำให้ทุกคนหันความมาเป็นตาเดียวอย่างเพิ่ง น, นึกขึ้นได้เริ่มจะมองเห็นแสงแห่งความหวังขึ้นบ้างจากความมืดมนทุกด้าน เออจริงสะนะที่พวกเราลืมกันเสียสนิทอย่างทีเดียวจัดการเร็วขยินบางทียาของเจ้าอาจช่วยชีวิตนายปืนโตขึ้นมาได้เชษ่าพูดมาเร็วปือจอมพานหันไปตบไหลนักเรียโตหล่มช้างพร้อมกับพยักหน้าเป็นความหมายอนุญาตมาอีกคนขยินจึงกวีกว่า ด, ดำเนินการเยียวยาตามแบบฉบับแก้พิษยางน้องของมันในทันทีนั้นท่ามกลางล้อมดูและภาวนาเอาใจช่วยของทุกคน ไม่กี่ปิดใจหลังจากนั้นบาดแผลรอยเคี้ยวตะขับดงที่บริเวณขาของชายยันก็ถูกพอกไว้ด้วยว่านดูดพิษอันเป็นลักษณะเดียวกับที่ได้เคยช่วยชีวิตสางปลาไว้แล้วจากพิทนูชุบยางน้องของสางเขียวแล้วต่างก็เฝ้ารอคอยเวลาอาจจะเป็นเครื่องพิสูจน์ด้วยหัวใจเต้นระทึกกะวนกะวายบุญคําจุดทูบ15ดอกบนบานสารกาวจาะต่อเจ้าภายตามคติของแกปากไว้ที่เนินปลืกลูกหนึ่งมาเรียสวดมนต์วิงวอนพระเจ้าส่วนเชิดาและดาลินและลึกถึงอํานาจพ พุทธรูปอาราธนายึดเป็นที่พึ่งในยามขับขันอับจนแต่ละนาทีที่ผ่านไปมันเชื่องชา้าเลือ เ, เกินประมาณในความรู้สึกของทุกคนยามนี้ต่างนึกคิดกันไปสารพัดถ้าว่าเป้าหมายย่อมไปรวมจุดอยู่ที่ภาวนาขอให้ชา ย, ยันรอดปลอดภัยจากหัดมัจจุราชที่เอื้อมเข้ามากลุ่มอยู่ในขณะนี้ล้วก็หวนนึกไปถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นด้วยความพันพึงสะดุ้งใจเรนลับ แล้วปวดตามหลังแงซายมาหลัดหลัดหัวหน้าคณะพึมพำเหมือนกับจะกล่าวกับตนเองแววตาเหมือลอยทันทีนั้นมันก็หายไปอย่างลึกลับโดยไม่มีร่องรอยแล้วไอสัตว์น่าร้ายน้าเกลียดน่ากลัวที่สุดก็พูดพาดออกมาเล่นงานชายันเหมือนจะเตรียมตัวรอคอยอยู่แล้วมันแปลว่าอะไรกันนี่ ไม่เพียงแต่เชิดฐาเท่านั้นแม้รัพินภัยวันก็กําลังขบคิดไข้ควรอยู่ในปัญหาลีรับข้อนี้อยู่เช่นกันเหตุบังเอิญประโจเหมาะหรือว่าแง่สายล่อเราให้เข้าไปสู่ความตายมาเรียเปลยลอยๆแทรกความเงียบงันขึ้นอีกคนหนึ่งแล้วไงสายล่ะหายไปไหนพวกเราจึงไม่ได้คิดว่าเขากลายล่างเป็นตะขาบตรงเข้าทําร้ายชัยยันไม่ใช่หรือซากของมันอันแสดงถึงว่าเป็นอินทรีย์ของสัตว์ยังเป็นพยานหลักฐานทิ้งให้เห็นอยู่เช่นนั้นดารินเอ่ยแผ่วมาบ้างทุกสิ่งมัน แสงเงาอยู่ในปิศนาอันเต็มไปด้วยความคลางแคลงและสยองใจละพินภัยวันนิ่งเงียบไม่เอ่ยคำใดออกมาทั้งสิ้นนั่งเหยียดเท้าหลังพิงก้อนหินตามองเว้องว้างออกไปสู่ความมืดดำของป่าใหญ่เบื้องหน้าเหมือนจะเข้าฌานปุกเรียกวิญญาณของป่าดงพงไพให้เข้ามารวมจุดและเฉลยรหัสของมันออกไปด้วยตะบะของจอมานผู้ยิ่งยง ปัจจุบันธันด่วนนั่นเองเขาก็ตื่นจากผวังสะดุ้งพรวดพาดขึ้นเพราะเสียงร้องแหลมของดารินซึ่งสดับไม่ได้ว่าหล่อนร้องออกมาเช่นไรถ้าว่าความหมายของมันอยู่ในทางร้ายมากกว่าทางดีพรวดเดียวผ่านใหญ่แผ่นเข้าไปถึงร่างของชายยันซึ่งดารินกําลังลืมตาจ้องโพรงโดยกุมมือของคนเจ็บไว้เชิดถามาเรียก็กระโจนเข้ามาพร้อมกันจากแสงไฟในกองใกล้ๆและจากตะเกียงแบตเตอรี่ที่เชิดถามเปิดทิ้งไว้ไปหน้าอันขาวซีเดเผือด ของอดีตนายทหารตืนใหญ่บัดนี้เปลี่ยนมาเป็นสีอม่วงมองเห็นอย่างถนัดไม่เพียงแต่หน้าเท่านั้นตั้งกายส่วนอื่นๆก็เช่นเดียวกันและยามที่ทุกคนจ้องดูด้วยความตนกตกใจอยู่ในขณะนี้ดูเหมือนมันจะค่อยๆคล้ำมืดลงไปทุกขณะนั่นคือสัญลักษณ์แห่งมลิตตยูใช้ยัน เชิดฐาตะโกนสุดเสียงผวาลงกอดล่างของเพื่อนร่วมตายไว้ดารินเป็นลมหน้ามืดร่วงฟุบลงไปเกือบจะฟาดกับแง่งหินหากแต่มาเรียตวัดแขนรับไว้ทันส่วนรัพินภัยวานยืนตัวแข็งปันหนึ่งถูกสาบให้เป็นท่อนหินหัวใจเหมือนจะหยุดเต้นลงในหน้าบัดนั้น ชัยยันอนันตรายบทหวังเสียแล้วนั่นเป็นความรู้สึกอันหนาวเหน็บและปวดชาที่แล่นขึ้นจับประสาททุกระบบของจอมพานเป็นครั้งแรกที่เขาแรเห็นดวงตาของเชษฐาวราฤทธิ์เปียกชื้นไปด้วยน้ำตามันเป็นน้ำตาของรูปผู้ชายชาตรีซึ่งสำนึกได้ว่าเดบัดบนี้เขากำลังสูญเสียยอดสหายซึ่งเห็นกันมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยร่วมเป็นร่วมตายกันมาโดยตลอด สำหรับมาเรียฮอฟมันไม่มีใครอ่านความรู้สึกของหล่อนได้ภายใต้สีหน้าอันซึมสงบนั้นหล่อนเป็นผู้หญิงใจแข็งราวกับเหล็กเพชรยกมือขึ้นทำอาเมนอย่างช่มช้าริมฝีปากขมุบขมิบอันเป็นลักษณะเช่นเดียวกับที่ทุกคนเคยเห็นครั้งที่หลอ่อนยืนอยู่เบื้องหน้าหลุมฝังศพของสามี ภาวะอันเศร้าส้อยซึมสลดนั้นปกคลุมไปตลอดทั้งบริเวณแคมป์พวกผ่านพื้นเมืองทั้งหมดนั่งกอดเข่าคอหลุบลายร้อมร่างของชา ย, ยันเป็นวงกลมปากของทุกคนดูเหมือนจะถูกเย็บสนิทคงได้ยินแต่เสียงร่ำไห้ของดารินเท่านั้น <c oughs> เวลาแห่งความเงียบงันเหมือนโลกหยุดหมุนนี้จะผ่านไปนานสักเท่าไรไม่ทราบได้ในโสตประสาทอันลั่นเอื้อของทุกคนดูเหมือนจะแว่วเสียงประหลาดประหลาดมาจากต่ารอบตัวฟังคล้ายคายเสียงกู่เรียก เสียงโอดโอยโหยหวนบางทีก็เหมือนมีคนพูดกันซุบซิบนินทาอยู่ในเงามืดของพงไพรที่แวดล้อมอยู่และบางขณะก็เป็นเสียงหัวเราะแหลมเ ย, ย, ย็นเยาะหยันใยไพรจะเกิดขึ้นจากอุปทานหรืออะไรก็ไม่มีใครนําขึ้นมาสอบซักถามกันนอกจากจะได้ยินและคุค้นขึ้นกันไปตามความรู้สึกเฉพาะตัวแต่ละคนแล้วอดีตท่านทูตฐานบกก็เหงยหน้าขึ้นความเข้มแข็งปรากฏขึ้นที่แววตาบึกบึนทั้งคู่อันแสดงให้เห็นว่าโปร่งตก และรางับความรู้สึกลงได้แล้วในที่สุดเราก็เสียเพื่อนตายที่ดีที่สุดของเราไปเสียงนั้นแหบเห่าดังขึ้นท่ามกลางความเงียบต่อไปจะเป็นใครอีกไม่รู้ได้แต่จะไม่มีอะไรมาเปลี่ยนเจตนาเดิมของเราได้ถึงอย่างไรพวกท่านจะต้องไปสู่ความพินาศแห่งอาถรรพ์ของนครแห่งความหลับหรือมิฉะนั้นก็ไปเพื่อแก้บ่วงแันตรรมให้กับพวกเรามารียบพึมพ์พประโยชนที่เจ้าผีกองกอยกล่าวไว้ขึ้นอย่างเลื่อนลอยแผ่เบาเหมือนจะเตือนะระลึก มันพูดของมันไว้ถูกแล้วบางทีพวกเราอาจจะต้องตายกันทั้งหมดอาจจะค่อยๆไปทีละคนหรือมิฉะนั้นก็ตายหมู่ในเวลาเดียวกันในวินาทีใดวินาทีหนึ่งข้างหน้าก็ให้มันรู้ไปเช่ดถาตอบอย่างหนักแน่นก้าวเกลี่ยมสติสัมปชัญญะของเขากลับคืนมาแล้วภายหลังจากมึนงงเหมือนตกอยู่ในห้วงฝันร้ายไปชั่วขณะรวมทั้งอำนาจความรันทดเศร้าโศกที่เกาะกินใจ นิ้วของใครคนหนึ่งสะ ก, กิดเบาๆมาที่ข้อศอกของระพินเมื่อหันไปก็พบว่ามันเป็นมืออันผอมดําของสั่งตาเจ้าพานต่องสูบ ข, ของมาเรียมันกําลังมองมาที่เขาด้วยสีหน้าตายด้านยายจะอ่านความรู้สึกอันเป็นบุคลิกประจำแล้วเสียงเบากระซิบก็ดังมาว่านายนายจะลองเชื่อสั่งตาดูสักหน่อยไหมเชื่ออะไรพ่อของสงั่งตาเคยเล่าให้ฟังไว้ตั้งแต่สมัยสั่งตาเป็นเด็กเล็กๆ เ, เล่าอะไร พ่อว่าในดงดําฝั่งเหนือของร่มน้ําสารวินมีตะขาบใหญ่เลื้อยมาทีเสียงดังเหมือนพายุฉันเห็นแล้วและทุกคนรวมทั้งแกด้วยก็เห็นแล้วดันเสือ ม, มาเล่าให้ฟังอยู่อีกทําไมผ่านใหญ่ตวาดเบาๆอยากจะประเคนบาดาให้เจ้าต่องสูงสักพักด่าที่ดันมาพูดเรื่องไม่เป็นเรื่องในภาวะเช่นนี้พ่อว่าพิษมันมากยิ่งกว่างูจงอางกัดใครต้องตายไม่มีทางรอดนอกจากจะรู้วิธีแก่ระผินหันขวับไปจ้องหน้าอีกครั้งวิธีแก้ เขาทวนคําแก้ยังไงพ่อว่าต้องเอาพริกขี้หนูที่ขึ้นอยู่ในดงดําเดียวกันมาตำผสมกับเนื้อของตะขาบดงพอกปิดที่แผลมันจะเป็นยาดูดพิษออกแก้ให้ฟื้นได้จอมพานขมวดคิ้วจ้องหน้าสางตาไม่กระพริบอยู่เช่นนั้นพวกพานพื้นเมืองหูพึ่งชันคอขึ้นจากกริยาอันน้อยเหงามองนิ่งมายังเจ้าต่องสู่เป็นตาเดียวมาเรียก็มีอาการตื่นเต้นขึ้นเล็กน้อยยกเว้นเชิดถากับดาวรินซึ่งยังนั่งงงไม่รู้เรื่อง แต่แล้วก็เข้าใจเมื่อแหม่มสาวหันไปแปลภาษาพม่าที่ส่างตาใช้พูดกับพานใหญ่ให้ทั้งสองฝั่งทําไมถึงมาบอกเอาตอนเดี๋ยวนี้ระพินรซักต่ําๆไม่มีความกระตือรือร้นหรือศรัทธานะด้วยสีหน้าตายเหมือนเดิมส่างตาก็ตอบว่าส่างตาไม่แน่ใจไม่รู้มันจริงหรือไม่ปู่เล่าให้พ่อฟังแล้วพ่อก็เล่าให้สางตาฟังอีกทีหนึง่งก็ทําไมเราไม่ทดลองกันดูละ่ะในคืนที่มืดสนิทไม่มีดาวสองแสงแม้แต่ดวงเดียวก็ยังดีกว่าไม่มีอะไรสะเสลยมาเรียร้องขึ้น สายไปเสียแล้วเมเสียงดารินพึมพำขึ้นเศ้าๆน้ำตาไหลรินเธอแน่ใจหรือน้อยฉันก็ไม่อยากจะคิดหรือเชื่อเลยแต่ความเห็นในทางแพทย์ของฉันมันเป็นเช่นนั้นบอดารินตอบเสียงเครือตาแดงชำ้ำ ถ้าเนื้อตขาข่าตำผสมกับพริกดงแก้พิษได้จริงๆไอส้สางปาก็ควรจะถูกฝังแทนนายทหารข้าที่มันเพิ่งจะอ้าปากบอกเราเดี๋ยวนี้บุญคำคำรามออกมาจ้องมองดูพานต่องสู่ด้วยตาอันขวางดุจันเสรยเกิดและขยินเพ่งจับมามองเป็นตาเดียวอย่างเดือดดานใจ ถึงสังปาจะบอกขึ้นในทันทีมันก็สายอยู่ดีนั่นแหละกว่าเราจะไปเอาพริกดงมาได้เขาก็ต้องตายลงซะก่อนอย่างที่เห็นอยู่นี่แล้วอีกอย่างหนึง่งสังปาก็เพียงแต่ได้ยินได้ฟังมาอย่างเลื่อนลอยเท่านั้นตัวมันเองก็ไม่กล้า ย, ยืนยันหัวหน้าคณะกล่าวขึ้นอย่างมองไม่เห็นความหวังอะไรทั้งสิน้นสังปาจะไปเก็บพริกต้นนั้นมาให้เอามาตำพอกแผลรอยเขี้ยวของมันที่ขาในปืนโตลองดูว่าพ่อบอกไว้จริงหรือไม่ สั่งตาบอกทุกคนมาหน้าตาเฉยถ้าเขายังไม่ตายและทยานั้นศักดิ์สิทธิ์จริงเขาก็ฟื้นขึ้นได้แต่นี่เขาตายซะแล้วเขาฟื้นไม่ได้หรอกคนที่ตายแล้วรักษาไม่ได้เชษฐาพูดผ่านมาเรียงให้แปลให้ถ้าไม่หาทางช่วยนายปืนโตตายแล้วก็ตายเลยแต่ถ้าพยายามช่วยตายแล้วก็อาจจะฟื้นได้สั่งตาตอบคุยๆตามภาษา ค, คนป่ายอย่างมันแต่ฟังแล้วมันก็ออกจะเป็นปรัชญาหน้าคิดอยู่บ้างสําหรับหูของผู้เจริญแล้ว ก็น่าคิดนะแต่ตามคำพูดของไอ้นี่ออกมาก็ได้ความคล้ายๆกับว่าการพยายามย่อมมีโอกาสมากกว่าการงอมืองอเท้าทอดอะไรหัวหน้าคณะหันไปกล่าวสุดฝืดกระจอมผ่านผู้นั่งนิ่งอยู่ ระพินเม้มฝีปากแน่นชำเบืองไปยังร่างอันแน่นิ่งเป็นซากเขียวคล้ำของชายยันแล้วเหลือบตาไปทางดารินเหมือนจะขอความเห็นพอสบตาอันคอล้นไปด้วยหยาดน้ำคู่นั้นก็เห็นหล่อนสายหน้าน้อยๆจึงขยับตัวเข้าไปใกล้ร่างของนักผชญปายชาวกรุงจับดูตามผิวกายไม่มีชีพจรหรือลมหายใจเลยหรือครับคุณหญิงผ่านใหญ่ทางเบาๆในที่สุดหยุดไปนานแล้วไม่เห็นหรือผิวเป็นสีม่วงไปทั้งตัวหลังต่อขณะที่ก้มหน้า ระพินตรวจดูตามร่างกายอีกครั้งแล้วใช้มีดพับด้านทื่ออันเป็นเครื่องมือสำหรับเปิดขวดโซดาซึ่งติดตัวอยู่ทดลองง้างปากชา ย, ยันดูเอ๊ตัวยังอุ่นอยู่แล้วก็อ่อนเคลื่อนไหวได้ไม่มีส่วนไหนแข็งแม้แต่ขากรรไกรในปากปกติไม่มีน้ําลายฟูมเขาพึมพําแล้วหันขวับไปทางหัวหน้าคณะอย่างตัดสินใจพูดโดยเร็ว หนึ่งในร้านของความหวังสมมุติว่าถ้ามันจะมีอยู่บ้างก็ยังดีกว่าไม่มีความหวังอะไรซะเลยทุกคนรออยู่ที่นี่นะครับผมกับสังปาจะเอาพริกขี้หนูดงต้นนั้นมาก็ลองดูเราไม่มีความหวังอย่างอื่นให้ดีไปกว่านี้แล้วหัวหน้าคณนะพยักหน้าจอมพานช่วยได้ไรเฟริลพร้อมกับไฟฉายลุกขึ้นในทันทีนั้นไปสังปาแกไปกับฉันพานต่องสู ก, กวีกว่าลุกขึ้นยืนตามคนของเขาอีกสี่คนขยับตัวจะขอติดตามไปด้วยแต่พานใหญ่โบกมือห้ามไว้สักกอด ฉันจะไปกับส่างปาเพียงสองคนเท่านั้นคนอื่นๆอยู่เฝ้าที่นี่และระวังตัวเตรียมพร้อมอย่าประมาทฉันจะไปและกลับให้เร็วที่สุด กล่าวจบเขาก็โบกมือกับสางตาชวนกันเดินบ่ายหน้าออกจากบริเวณที่พักโดยเร็วแต่แล้วทันทีนั่นเองก่อนที่จะก้าวพ้นแนวกองไฟสุดท้ายที่ซุ้มไว้ทางด่านทั้งเขากับเจ้าเจ้าตองสุกก็ต้องหยุดชะงักกึกลงพร้อมกันราวกับนัดกันไว้ประสานหูอันเฉียบวายสัมผัสกับเสียงของอะไรชนิดหนึ่งในความมืดมิดของโพงไม้และป่าหินเบื้องหน้าสางตาสกิดสีข้างเขารับผินจับปืนในท่าตเตรียมพร้อมประกบลําไฟชายไว้กับกระเจมมือแต่ยังไม่เปิด เงียหูเบิกตากว้างจ้องมองเหมือนจะอ่านทะลุเข้าไปในความมืดอันลี้ลับสั่งตาเองก็ประทับปืนขึ้นไหลเพราะเหตุที่ว่าบุคคลทั้งสองยังก้าวจากแคมป์ออกไปได้เพียงไม่เท่าไหร่มองเห็นหลังการอยู่ในระยะไม่เกิน15เมตรพักพวกที่แคมป์จึงสามารถมองเห็นอาการผิดปกตินั้นได้อย่างถนัดต่างขยับตัวเตรียมพร้อมปืนกับไฟฉายขึ้นมาประจําอยู่ในมือทันทีแต่ก็ไม่มีใครกระตกกระตากหรือร้องถามมาเช่นไรเพราะเคยชินและรู้หลักกันดีอยู่แล้ว เสียงใบไม้แห้งลัานกรอบแกรบในพุ่มไม้ทึบเบื้องหน้าไม่ห่างจากพานใหญ่กับสางตาออกไปเท่าใดนักเป็นเสียงของตีนที่ค่อยๆจะรดเข้ามาในลักษณะย่องมันเบาที่สุดและแทบไม่มีอะไรผิดสังเกตถ้าไม่ใช่หูของพานครั้งแรกรัฐพินคิดว่าเป็นอุปทานแต่แล้วพอกลั้นใจฟังก็แน่ใจ อะไรชนิดหนึ่งกำลังย่องเข้ามาบันดังอยู่ฟากตรงข้ามของทางด่านไม่ไกลนี่เองเสียงของการเคลื่อนไหวชนิดนั้นยังฟังไม่ออกว่าจะเป็นอะไรแน่มีช่วงระยะหยุดเหมือนจะซุ่มตัวหาลู่ทางแล้วต่อมาก็เกสก삭แบบแผวเบาเข้ามาใกล้อีกไม่ใช่พวกสัตว์เลื้อยคานแล้วก็ไม่ใช่พวกสัตว์ใหญ่4ีเท้าซึ่งน้ำหนักตัวควรจะมากกว่านี้ รัพผินค่อยๆ ย, ยกมือขึ้นทําสัญญาณให้สั่งตาถอยหลังเข้าไปรวมกับพวกในแคมป์ก่อนเพื่อความสะดวกในการคล้องตัวของเขาหากวิกฤตการณ์เกิดขึ้นในระยะจู่โจมพันตูเจ้าต้องสู่ปฏิบัติตามสัญญาสั่งนั้นได้โดยดีย่องถอยหลังห่างออกไปคงเหลือเขาเพียงคนเดียวซึ่งขณะนั้นก็เสียงเข้ามาที่โคนตะเคียนเงี่ยวหูคอยฟังเสียงอยู่ที่นั่นอาการเช่นนั้นยิ่งทําให้ฝ่ายในแคมป์รวีความกระสับกระส่ายใจเต้นแรงขึ้นหลายคนค่อยๆทรงกายขึ้นยืนอย่างเงียบกริบ มีเสียงรั่นเกรียบขึ้นมาอีกครั้งตรงพงไม้ที่เห็นเป็นเงาตะคุ่มเบื้องหน้าฮันเตอร์ขนาดแปดท่อนในมือของจอมพันก็พวยพุ่งสว่างเจ้าออกไปในทันทีนั้นพร้อมทั้งนิ้วที่แตะไกลอยู่ไม่ปรากฏร่างหรือแววตาของอะไรทั้งสิ้นที่จะสะท้อนแสงไฟต่อมานอกจากใบไม้และเถาวันทึบเขาสาดไฟฉายไปรอบๆอย่างรวดเร็วสายศูนไรเฟริลตามไม่พบอะไรระพินดับไฟสงบนิ่งอยู่อีกครู่ใหญ่ ก็ได้ยินเสียงเคลื่อนไหวในพงอีกครั้งคราวนี้ย้ายมาอยู่ด้านฝั่งขวามืออันเป็นตาไผ่พอฉายไฟก็อันตรธานหายไปอีกอย่างปจากร่องรอยจอมผานถอยกลับเข้ามารวมกลุ่มกับพรกพวกที่ยืนจ้องมองอยู่เกาะแล้วอะไรอย่างหนึ่งกําลังย่องเข้ามาป้วนเปี้ยนอยู่รอบๆที่พักของเราได้ยินแต่เสียงพอฉายไฟก็หลบเขากระซิบ ไอ้ตะขาบจะลบนั่นหรือเปล่าเช้ถากกระซิบถามจ้องมองออกไปในความมืดไม่ใช่หรอกครับไม่ใช่สั์เรือคานมันอยู่ใกล้ๆเราแค่นี้เองแล้วก็ไม่หนีไปด้วยนอกจากจะคอยหลบซุ่มอยู่พวกเราทุกคนต้องระวังตัวอยู่ในนี้นะครับผมจะบุกออกไปที่ต้นพริกนั่นคนเดียวเองไม่ต้องเป็นห่วงผมหัวหน้าคณะเหนียวไหลเขาไว้ไม่เหมาะอย่าเพิ่งดีกว่าสงบดูท่าทีของมันให้แน่เสียก่อนรูปการมันไม่เข้าเขาเสีแล้ว ขาดเสียงของเชิทาก็ปรากฏเสียงแย่แกรกอยู่หลังพุ่งไม้คราวนี้ใกล้นิดเดียวราวกับนัดกันไว้ปืนทั้งสิบกระบอกจ้องไปทางเดียวกันเสียงนั้นหยุดหยุดหายหายเหมือนอย่างที่เคยได้ยินครั้งแรกหากแต่ดังใกล้เข้ามาทุกทีที่ทางแหวกพรงตรงเข้ามาที่แคมป์ซึ่งทุกคนจ้องกันอยู่แทบไม่ยอมหายใจ ทันแล้วเงาดำของอะไรชินิดหนึ่งก็โผล่รับแนวโรคของพุ่มไม้ออกมาปรากฏเด่นอยู่ในบริเวณที่ราบโล่งอย่างสงบใกล้เคียงกับกองไฟรอบนอกที่ก่อไว้ไฟฉายหลายกระบอกศาสตราจัจับไปที่ร่างนั้นพร้อมกันอย่าเพิ่งยิงเสียงเสียาร้องดังขึ้นก่อนที่ปืนกระบอกใดกระบอกหนึ่งระเบิดพ่นกระสุนออกไปทุกคนจ้องตลึง จากแสงเพลิงที่กินไม้อยู่ในกองและลำชายไฟอันสว่างจ้าทําให้เงาปิศนานั้นปรากฏขึ้นอย่างถนัดชัดเจนที่สุดมันเป็นร่างของไอ้ผีกองกอยตัวหนึ่งซึ่งขณะนี้กําลังยืนสองขาโบกมือสายช่มช้าอยู่ไปมามันจะป้องแสงไฟที่สาดจ้าเข้าหน้าหรือจะแสดงหรือยาห้ามอย่างใดอย่างหนึ่งสุดที่จะเดาได้มองดูไม่ผิดอะไรกับพูดนรกที่ผุดขึ้นจากใต้แผ่นดิน ความเป็นดุษณีและอาการโบกมือเรียวยาวหน้าเกลียดอยู่ไปมานั้นทําให้ปืนที่เตรียมตัวจะลั่นทุกกระ บ, บอกยั้งไว้ได้ทันพระเจ้าไอตัวนั่นเองตัวที่แกะเชือกหนีหลุดลอดจากการมัดของเราไปมาเรียอุทานออกมาทุกคนก็จำแนกในบัตรนั้นถูกแล้วมันคือเจ้าผีกองกอยหรือสัตว์ประหลาดตัวหัวหน้าที่เคยเป็นเฉลยของฝ่ายมนุษย์และหนีหลุดไปได้อย่างลึกลับตัวนั่นเองมันโผล่ออกมาเพียงลําตัวเดียวปราจากวิแววหรือร่องลอยของพวกพ้องตัวอื่นๆทั้งสิ้น จืดใจเต็มๆท่างกลามความงุมงนันและแสงไฟฉายที่จับจ้องอยู่เจ้าสัตว์ประหลาดลึกลับค่อยๆเดินเข้ามาใกล้บริเวณแคมป์อย่าง ช, ช้าๆอาการของมันสงบราบคาบไม่แสดงว่าจะมีพิษร้ายเป็นอันตรายใดๆทั้งสิ้นทั้งหมดยิ่งประหลาดใจเพิ่มมันตรงเข้ามาที่เรายิงนะนายใครคนหนึ่งในกลุ่มพานพื้นเมืองที่ประทับปืนจ้องอยู่ร้องกระหึดกระหอบขึ้นแต่เราพินห้ามเร็วปือยยาดูท่าทีมันก่อนอย่าเพิ่งยิงเป็นอันขาด เจ้าผีกองกอยชะ ง, งักเล็กน้อยดวงตากลมเบาวทั้งคู่จ้องมาอย่างทุกคนเอามือที่มีเล็บประหนึ่งตึงเดี่ยวทั้งสองตัดผ่านหน้าไปมาอีกครั้งทุกคนกระจายกันออกอย่างเตรียมพร้อมพวกผ่านพื้นเมืองคว้ามีดและเชือกขึ้นมาถือเตรียมล้อมแต่มันก็ไม่มีปฏิกิริยาว่าจะต่อสู้หรือผักหนีสายหน้ามองคนที่ตีวงล้อมอยู่ห่างๆไปรอบๆแล้วค่อยๆเคลื่อน ช, ช้าๆเข้ามาอีกจนกระทั่งมาหยุดยืนอยู่ใจกลางบริเวณแคมป์ แปลกเหลือเกินจากท่าทีที่เห็นอยู่แสดงว่ามันเจตนาจะเดินเข้ามาหาเราเองดาวรินร้องเบาๆจ้องร่างอันแสนเจนาเกียด น, นั้นอย่างอัศจรรย์ใจไปหมดซึ่งก็เป็นอาการเดียวกับทุกคนในขณะนี้เชิดถาตะโกนสั่งพานพื้นเมืองทุกคนให้สงบเฉยไว้ก่อนเพียงแต่ให้ระวังล้อมไว้เท่านั้นรับกินเดินอย่างระมัดระวังเข้าไปใกล้มันเจ้าสัตว์ประหลาดสุดตัวลงนั่งจ้องอยู่กับกหน้าเขาห่างเพียงก้าวเดียวไม่มีอาการหวาดกลัวสะทกสะท้านสะเทือนใดๆทั้งสิ้น ลักษณะนั้นเหมือนสัตว์เลี้ยงเชื่องเชื่องหรือมิฉะนั้นก็เป็นกา ร, รเผชิญหน้าระหว่างมนุษย์ต่อมนุษย์ประสะจากอาการใดๆของสัตว์ป่าทั้งสิ้นเขาจ้องมันขเม่งอย่างพยายามค้นหารหัสและมันก็มองตอบเข้ามาเช่นเดียวกัน